าวิสัญชาทาั ก, กับท่า น, ม น, า น, านหมตาโนงกับพิณานุโลมตอนทลิกวิกฤติจากการเจ็บป่วยมาเป็นโอกาสของการภาวนาตอนที่สามก็จากท่ารู้ใช่ไหมคะท่านอาจาร เราพอเราผ่านในช่วงมาถึงที่ต้องพิจารณาทางที่รับรู้ทางใจอันนี้เป็นเรื่องของของทางด้านจิตแหละแล้วเพราะฉะนั้นก็คือการรับรู้เป็นอัตยานะทั้งหลายทั้งทั้งปวงเนี่ยเราก็ต้องฝึกปฏิบัติโดยใช้ปัญญามาพิจารณาแล้วใช้ปัญญาตรงนั้นมาพิจารณารับให้รับรู้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เกิดรับรู้กิริยาอาการของการไหวกระเพื่อมของจิตณนะตรงนั้นมันก็จะถูกฝึกไปจากที่อยากก็จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆ พอละเอียดขึ้นเพื่อ น, นครับเราก็จะสักแต่ว่ารู้ให้รู้อยู่อย่างนั้นโดยไม่มีกิริยาไม่ว่าทองของกายความนึกคิดหรือกิริยาทางอานทางใจที่เข้าไปปูนใส่ใช่ไหมคะหนูเข้าใจอย่างนั้นจนกระทั่งเราฝึกละเอียดขึ้นค่<ะ>เราพึกละเอียดขึ้นละเอียดะเอียดขึ้นแบบเนี้ยหละต่อไปนะสติมันจะตั้งที่ใจดูที่ใจดูที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใ จ, ใจ มันจะปติมันจะตั้งอยู่ที่ใจตลอดแล้วมันจะเร็วแล้วมันจะรับรู้ลนนัังททาแล้วมั น, นก็ คิดปงปุงคิดเราก็รู้ตัวแทนหลงคิดปุงปงคิดเราก็รู้ตัวแทนไอ้การที <ips are S 1> <st> ่เราต้องคอยมันหลงไปเราคอยรู้ตัวแทนหลงไปคอยรู้ทมันจะไปขับรถเองแบบเกียร์เกียร์มือแบบว่าไม่ใช่แบบมิออโต้พอเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยมันก็จะติตตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจปล่อยวางที่ใจสับตะวันรู้สับตะวันรู้หรือรู้ซื่อซือแค่รู้ซื่อซื่อตาที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันได้ใจที่ยอมรับตามควเป็นจริงเหมือนหลวงปู่าอาจาสยมโอท่านพูด งั้นถ้าไม่ีอาการนี้ก็คือใช้ตรงนี้ เ, าเขาก็ปล่อยวางที่ใจแล้วใช้สติปัญญาในการพิจารณาใช่ต่อไปนี้มันจะรู้ที่ใจอ่ะทุกคิดทุกคิดนึกสึ่งต่อปูุงแต่งเลยทุกขณะปัจจุบันเรียกว่ารู้ธำอารมณ์ในปัจจุบันจะเป็นความคิดนึก คือตรองในปัจจุบันที่มาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ได้รับเล่น ไ, ไ, ไ, ได้รู้ในปัจจุบันเกิดขึ้น <c oughs> ในว <c oughs> <auen> ิวันได้รู้ในปัจจุบันแล้วก็แค่สัตา์รู้จิตคิดในปัจจุบันแค่สัตว์รู้จิตคิดที่ตรองที่กระเพื่อมที่ไหวตัวในปัจจุบันมันเห็นแต่นี้เห็นแต่จิตคิดจินต์นึกที่ตรอมที่กระเพื่อมที่ไหวตัวในปัจจุบันปัจจุบันเรียเรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมคือรู้ธรรมในปัจจุบันมันไม่กลายเป็นตอนนี้ไม่กลายเป็นว่าไปไปรู้เรื่องรู้รู้แล้วกินเิ แต่มันว่ามันจะรู้อะไรมีชีวิตอยู่ดําเนินชิตอยู่ตามปกติธรรมชาติมันสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจปล่อยวางที่ใจก็คือมันรู้ทุกคิดรู้ทุกกิจที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันไม่ใช่ว่าไล่รู้ไล่ดับแต่มันสัจธรรมว่ารู้สัจธรรมรู้สัจธรรู้หรือรู้ซื่ออย่างที่มัเป็นจอมรับตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะว่าเราจะเรียกมันว่าปุถุศนจะเรียกว่าปุถุนแต่ มันก็ไม่มีอิทธิพลไม่มีความหมายต่อใจเราทุกคิดทุกอาการไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยให้ที่เราเรียกวันกุศลนักกุศลเนี่ยมันเพราะไม่ถูกใจเราบางทีบางอย่างเนี่ยอาการที่มันโปร่งโรคเบาสบายว่างๆไม่ถูกใจเราเราบอกว่ามันเป็นกุศลพออาการที่มันแน่นตื้นอัทึกๆเหมือนเราไปแช่ติดอยู่ในนั้นเน่ยเราบอกว่าถากุศล มันไม่ถูกใจเราแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นอาการของจิตตามธรรมชาติปกติแล้วเราก็ไม่ไปรู้แต่อาการที่โป่งโล่งเบาสบายว่างว่าแล้วเราก็มือมไม่ไม่ได้สมใจรู้แต่ไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่ว่ามันแก่เราไม่ไม่ไปแก้ไขมืแต่แก้ไขอาการเหล่านั้นมันจะเสียท่ามันจะหลงพลเราได้รู้แต่ไอ ไอจิตที่มันไปนคิดอะไรก่อนเรื่องเมืม่อเราไปดูอาการนั้นอนะ่ะเราไปดูอาการที่มันโผล่โลกเบาสบายแล้วบางว่าเนี่ยจิตเราไปคิดอะไรหรือว่าเพราะอาการมันไม่โผล่ไม่โลกไม่เบาไม่สบายมันมีการแน่นติดอัดทึ๊ดๆมึนๆ ง, งงๆมีการแช่แช่แล้วเราก็มาดูที่ไอ้จิตมันคิดอะไรจิตมันคิดอะไรต่ออาการเหล่านั้นถ้าเราไปเห็นไปอาการเหล่านั้นเนี่ย มันก็จะหลงมันจะหลงไปกับออายาตะละไทยนอกเพราะว่าอาการนั้นเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตคือมันเป็นอาการที่ถูกรู้แต่ไอจิตปัจจุบันเราจะไม่ทันมันคือจิตปัจจุบันคือจิตที่ไปรู้อาการเหล่านั้นแล้วมันก็คิดปรงแต่งเกี่ยวกับอาการเหล่านั้นก็อย่างไรแต่ถ้าเราไปรู้แต่อาการที่มันโปร่งเลาสบายว่างว่าหรืออาการที่มันแน่นมันอัดมันทึบมันตื้อมันมึนๆงงงมันแช่แช่ สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอาการที่ถูกรู้ถูกรู้ดอะไรถูกรู้ดนใจหรือถูกรู้ดนจิตหรือถูกรู้ในวิญญาณถูกวิญญาณหักฐาเนี่ยถูกรู้ในวิญญาณหักฐาอันใหม่แล้วเพถูกรู้ในวิญญาณหลักฐานั่นใหม่พะวิญญาณหักฐานนันใหม่เสร็จพวกไปรู้ไงมันก็คิดปรุงปรุคิดยังไงเออมันคิดปรุงปรุคิดยังไงถ้าอาการที่มันรู้เนี่ยถูกใจมันก็เป็นตัวเวกนา าอาการที่มันรู้เนี่ยไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกขเวทนามันก็เป็นมันก็เป็นปัจจุบันธรรมอันใหม่แต่อาการที่ถูกรู้อาการเก่าที่ถูกรู้มันเป็นอดีตเช่นอาการโป่งโล่งเบาวสบายที่ถูกรู้แล้วก็มีวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณในกาที่ห้าไปรับรู้ปุ๊บพอไปรับรู้ปุ๊บไอ้วาดโป่งโล่งเบาวสบายหรือแน่ติดอัดซึ้งหรื อ, อมี อ, อาการแช่แช่เนี่ยซึ่งเรารู้ตัวว่าเป็นทุกขเวทนาเพราะเปนถูกใจเราแต่มันเป็นอดีตไปแล้วนะเพราะว่า ไอ้วิทยาตัวใหม่เนี่ยของวิทยาการเนี่ยตัวใหม่อะมันจะไปรับรู้อาการนั้นพอรู้อาการนั้นมันก็ส่งต่อไปยังเวทนาตัวใหม่คืออ อ, อาการอย่างเนี้ยมันก็คิดปุ่งส่งไปต่อเวทนานแล้วมันก็จำได้ว่าอาการอย่างเงี้ยมันถูกใจมันปร่งโล่งสบายแล้วมันก็คิดปุ่งว่านี่คือโปร่งโล่งสบายบอกว่ามันคิดปุงปปะะ่งเป็นภาษาไทยคุณลองดูสิมันปุง่งเป็นภาษารัสเซียปุ่งภาษาแขก์ภาษาจีนมันปุ่งไม่ได้เราปุ่งไม่ได้เพราะเราไม่รู้ภาษานั้นนะ เราไม่รู้หรอกว่าอาการที่มันโป่งโลกเบาสบายเนี่ยเรารู้แต่อาการแต่เราไม่รู้ภาษาเหมือนกับที่ที่บอกว่ารู้เสียงนกแต่ไม่รู้ว่ามันพูดว่าอะไรเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ภาษามันเราเลยรู้แต่เสียงเลยนี่แนี่ยไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันรู้แต่อาการแต่เราไม่ประแปลความหมายไม่ได้เราแปลความหมายไม่ได้พอเราแปลความหมายได้แเราแปลว่านี่มันกุญสตร์นักุญสตรแต่ความจริงอ่ะมันมีแต่อาการเราไม่รู้ว่านกเนี่ยมันคิดมันพูดเกี่ยวกับอกุญสตรหรือกุญสตรเพราะว่า นกเนี่ยเราได้ยินแต่เสียงแต่นกที่มันคู่กัน่ะมันพูดเรื่องอาบุตรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันพูดเรื่องอาุตรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราเลยและไม่ได้เกียนถืออาการเหมือนกันอ่ะธรรมชาติมันรู้แต่แบบนั้นมันรู้แต่อาการแต่มันไปรู้ภาษาเข้ามันเลยว่านี่คือกุสศลอาบุตรมันเลยไปเกี่ยนมันเคยไปชังไปชอบมันเลยรู้ว่ามันจําได้ว่าอาการโป่งโล่งส่ายว่างว่างมันดีมันชอบอาการไม่โป่งไม่โล่งไม่สบายใช่ใช่มันไม่ชอบมันไปปรุงข้าว การถ้ามารู้แต่อาการมันจะไม่ทุกขนะ์เพราะมันจะเป็นธรรมชาติาาของการรู้แล้วพออาการเนี่ยจะถูกรู้ปั๊บแล้วก็มีวิญญาณเนี่ยในขั้นที่ห้าไปรู้อาการอาการนี่กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราวะว่าพอวิญญาณนี่ไปรู้ปุ๊บมันก็จะเกิดเวทนาตัวใหม่คือมันรู้ว่าอาการเนี่ยมันปกโรคเอาสบายมันชอบมันก็เอาความชอบอาไว้ในใจก็พอปรุงแต่เป็นความชอบไว้ในใจมันเป็นอาการตัวใหม่แล้วเราก็ไม่เห็นอาการตัวใหม่ไม่เห็นทำอารมณ์ตัวใหม่ไม่เห็นนี่ ปัจจุบันธะราทเราไปเห็นแต่อาการที่โปร่งโรคเบาสบายอาการแน่นขึงอัดซึซนตื้แต่แต้วิญยาณลักฐานเนี่ยมันไปรู้แล้วมันชอบมัชอบพอใจไม่พอใจมันปูงเัเยอะแยะหมดเลยเฮ้นี้เป็นกุญส่นี่มันโปรงโลคบาสบายมันว่าเป็นกุญส่วนมันดีเราชอบมันพยายามจะรักษาพยายามจะอะไรแต่อาการที่มันแน่นรึ้อัดตึ้นื้อมันเปาาน็นอกุญสนเราไม่ชอบเราดิ้นเราสัดสายเราไปเห็นแต่อาการแต่เราไม่ได้คิดปัจจุบันที่โปร เลยเราเสียท่าเราเลยไม่เป็นปัจจุบันธรรมเลยแล้วลงอดีตตลอดเราเป็นทำเมาเราเลยต้องรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันธรรมรู้จิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันรู้จิตที่ปุงในปัจจุบันรู้จิตทุงในปัจจุบันรู้ตรงไอ้จิตเป็นผู้รู้ไอ้วิญญาณระคานี่แหละมันไปรู้มันปรุงไม่อย่างไรเราห้ามปุงไม่ได้เราได้แต่รู้ว่ามันปรงว่าอะไรแล้วเราก็สัตแต่ว่ารู้ไม่ใช่ว่ามันไปรู้อะไรแล้วไม่ให้มันปรงอะไรมันก็เออที่ รู้แล้วเออรู้แล้วเออบอกว่ามันต้องรู้เลยมันต้องปรุงไปยังไงเพราะต้องปรุงเป็นภาษาไทยได้ๆมันเรียกว่าอะไรอย่างไงเราไปปรึกใ้มันรู้เออรู้เออได้ยไงเ อ, อ่อเปรียบเสมือนกับว่าก็คือถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจตรงนี้บอกว่าสักแต่ว่ารู้เหมือนคนกำลังจะข้ามถนนเห็นรถกำลังวิ่งมาจะชนอยู่แล้วบอกว่าเออสักแต่ว่ารู้อันนั้นรถแต่ไม่ยอมขยับตัวหนีกระโดดหนีปล่อยให้รถชนอันนั้นก็ถือว่าหลงไม่มีสติ คนทีบอกว่ารู้ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่จริงหรอกมันอยู่กับชีวิตวันวันหนึ่งอะไรปัจจุบันลอยไปลอยมาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยว่าจิไปคิดอะไรไม่รู้อะไรแล้วไปคิดอะไรรู้อะไรแล้คิดอะไรมันไม่ได้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจปวางที่ใจทุกคิดทุกอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ปัจจุบันปัจจุบันขนาดแต่มันบอกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่เดี๋ยวปัจจุบันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคิดอะไรก็ไม่รู้ เพราะอะไรสติมันไม่ได้ตั้งที่ใจดูที่ใจที่ใจล่ที่ใจลา่าอะไรก็คือร่าไอ้กิจปัจจุบันเนี่ยที่ไปรู้แล้วไปคิดปรุงอะไรรู้อะไรแล้วคิดปรุงอะไรรู้อะไรแล้วคิดปรุงอะไรมันไปรู้แต่อาการนะแต่จริงอ่ะปัจจุบันของคนที่เขาพูดรู้อยู่กับปัจจุบันคือมันอยู่กับอยู่กับลูกก็จินเสียงอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับโทรทัศน์อยู่กับการเล่นเกมอยู่กับไอ้มือถืออยู่กับปัจจุบันในปัจจุบันที่เขาทำอะไรอยู่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องโลกโลกไม่ได้เกับ อยู่ปัจจุบนนันธรรมคืออยู่กับจิตที่มันคงคิดเน่ยมันเห็นในจิตผู้รู้จิตที่คิดที่เคลื่อนไหวที่กระเพื่อมในปัจจุบันในปัจจุบันจนกระทั่งเนี่ยผู้รู้ไม่ปรากฏอะไรเลยปรากฏแต่จิตที่เคลื่อนไหวนใน ป, นในปนัจจุบันไหวๆๆวๆแต่ใจผู้รู้ไม่ปรากฏเล ย, เล น, น, น, เลยนั่นแหละคือที่สุดตรงนี้คนเขาเห็นยากมากคจารย์เขา อ, อยู่กับผู้รู้แล้วก็ติดใจเปิดแล้วก็ รู้รู้ละรู้ปล่อยรางไม่มีทุกอยางปล่อยวางก็คือสุดท้ายก็คือถิ่นถิ่นถิ่นถิ่นถม่นถิ่นถ่กัิ่นถิ่นงิ่นถิ่นถ่นถป่นถิงแถิ่นถิ่นถิ่นถิ่นถิ่นถิ่นถิ่ยถิ่นถิ่นถิ่นถิ่นถิ่นยิ่นถิ่นถ่ใ่นถิ่นถ่นถิ่นถิ่นถิ่ะถ่นถิ่นถิ่นถิ่นถิ่นถ้่นถ่นถิ่นถนถินถน่นนน ่แคเห็นใบพัดลมที่เราเปิดเองไหมมันหมุนแรงมากเลยตอนนี้อากาศมันร้อนเรนไหมเนี่ยจะดูนี่ใบพัดลมที่มันหมุนเร็วไหเนี่ยอากาศมันร้อนเราเปิดเล็กเตี้ยสามเลยวะเนี่ยมันหมุนแรงมากนั่นไงใบพัดลมที่หมุนนั่นไงเหมือนจิตที่ที่คิดที่เคลื่อนไหวที่กระเพื่อมที่มันไปรู้อะไรเนี่ยจิตหรือวิญญาณะในในธาตในในขั้นที่ห้าเนี่ย จิตหรือวิญญาณในขั้นที่ห้าเนี่ยที่มันไปรู้อะไรเนี่ยไอ้เนี่มันพูดอะไรจิตหรือวิญญาณหรือใจอะไรันเรียกเรียกหลายภาษาเออเรียกนี้ก็เรียกจิตเรียกใจเรียกวิญญาณหรือมโนมันไปแต่ในขั้นที่ห้าเราใช้คำว่าวิญญาณอันนี้มันมันจะตรงกันคือวิญญาณขันญาติขั้นที่ห้าเนี่ยมันไปรู้สมมว่ามันรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ปรงโรคบาสบายบ่างว่าไม่ปร่งโรคเบาสบายบ้างวเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายหล้วเพราะอะไร พอจิตเนี่ยภยวิญญาณนะวิญญาณอขานเนี่ยมันไปรู้อาการที่เป็นเวทนาเหล่านั้นเนี่ยมันไปรู้ธรรมอารมณ์เหล่านั้นแล้วเนี่ยมันรู้ธรรประตูใจรู้ธรรมอารมณ์ทรรประตูใจไ อ, อ้ความรู้สึกโปงโล่เบาสบายว่างๆเนี่ยมันเป็นอายะตนะภายนอกหรือธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้โดยผ่านโดยประตูใจโป่งโล่เบาสบายว่างๆไม่โป่งโล่เบาสบายไม่สบายไม่ว่างมันแน่นติดซื้ อ, อ ม, มันมันมีอาการเหมืนแช่แช่สิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมอารมณ์หมดเลย มาถูกรู้ได้ทางผ่านประตูใจโดยโดยวิญญาณอาขนันโดยวิญญาณอาขันที่ไปรู้มันเพราะวิญญาณอาขันไปรู้มันเนี่ยเราถึงบอกยังไม่สนใจมันเลยกับไออาการที่ถูกรู้เนี่ยเพราะมันเป็นอายาตนาภายนอกที่ถูกรู้ผ่านโดยประตูใจโดยวิญญาณอาขันไปรู้เราเนี่ยสาคัญที่สุดคืไอไอวิญญาณาขันเนี่ยมันไปรู้อาการเหล่านั้นเนี่ยมันคิดปรุงปรุงคิดมันกเพื่อมันไหวตัวอย่างไรต่ออาการเหล่านั้นเช่นมันคิดดิ้นลนผักใส่คิดหมุดอิดคิดรำคาญในอาการที่ไม่ถูกใจเช่นไมโปรงไม่โล่ไม่เบาไม่สบายคิดหาทางกาจัด ไม่ชอบใจไม่พอใจหรือว่าอาการที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างๆเนี่ยมันคิดยังไงเมื่อมันไปรู้อาการเหล่านั้นเนี่ยมันคิดปรุงยังไงมันคิดว่าหูนี่ว่ า, ามงมากเลยนี่โปร่งโล่งเบาสบายมากนี่มันแล้วคุณลองคิดดูสิคุณบอกไม่ปรุงไม่ปรุงคุณคิดได้ยังไงว่านี่ยยคือโปร่งโล่งเบาสบายว่างคิดเป็นภาษาไทยได้คุณลองไปคิดเป็นภาษาภาษาต่างชาติภาษานกบา ท, ที่ที่บอกว่านกมันมันร้องมันนี่เต็มหมดทีเนี่ยแต่เราไม่รู้นกมนพูดอะไรเพราะเราไม่รู้ภาษามันเลยแล้วดิจะเสียงมัน เราก็คิดกระนาอาการกระโน้เออเราก็เห็นตรงจิตที่ไปรู้ไอ้วิญญาณหักขัเนี่ยวิญญาณหักขันนัไปรู้มันจำคิดปุงป่งปุ่งคิดคปุ่งุ่งคิดเป็นธรรมชาติที่เราดับไม่ได้ออมันเป็นธรรมชาติถ้าเราไปดับตรงนี้มันจะเออธรรมชาติเหมือนกับว่าเราเห็นรถที่ผ่ามาที่เมื่ี้ที่บอกว่าข้ามถนนแล้วเห็นรถวิ่งจราชนเราแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่านี่คือรถแต่มันรู้ว่านี่คือวัตถุเชนิดหนึ่งวิเคราะห์วิเคราะมาแล้วมันก็ไม่ได้คิดปุ่งว่าไอเรากระโดดลบมันเป็นธรรมชาติ ของขันห้ามันต้องคิดปรุงช่วยตัวมันเองให้มีชีวิตรอดเลยนี่คือธรรมชาติของขันห้าดิฉั่ไปรู้เอ๋อรู้เอ๋อสุดท้ายเนี่ยมืปฏิบัติธรรมหลายคนเอ๋อไว้บอกว่ามีบางคนที่มันเราดูแล้วโอ้ข้องแค่วงไวปัดเตียยมากเลยแต่ทำไมมันพูดเกิดช้าหันเกิดช้าตาก็ไม่เกาะบอกว่าเราดูแล้วลักษณะเนี่ยดีคนข้องแค่วงไวปัดเตียเมืก่อนทํำอะไรเมืก่อนเป็นผู้จัดการหลายบริษัทแล้วเดี๋ยนี่ทําอะไรลาออกมาแล้วมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเราบอกว่านี่เป็นคนที่มีความสามารถมากนะเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเป็นผู้จัดการบริษัทเนี่ยทําไมนักผู้จัดการบริษัทเนี่ยมัน ม, มันมันคิดจะช้าพูดจะช้าตามไม่กรอบแบบนี้เหรอแล้วมันมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบอกว่าเริ่จะจําอะไรได้แล้วอย่างเงี้ยจําอะไรไม่ได้อ mm. าจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเมมไม่ต้องเมมเลยไม่ต้อง ars, life, ไม่ต้องจดไม่ต้องบันทึกเลยจำได้หมดเลยสั่งการเร็วมากเดี๋ยนี้เป็นไงบ้างจําอะไรไม่ได้จําเบอร์โทรศัพท์จําอะไรไม่ได้ต้องเมมใส่เครื่องโทรศัพท์ไป จำอะไรไม่ได้คิดอะไรก็ช้าบริหารอะไรก็ไม่ได้เพราะอะมันฝึกให้รู้เออรู้เออรู้รู้ไม่ปรุงรู้ไม่ปรุงรู้ไม่ปรุงเออไว้มันเข้าใจคำว่าปรุงแต่งผิดมันมันไปนตัดตอนขันห้าให้ไปรู้อะไรแล้วมันไม่ทําให้กระบวนการของมันเต็มถูกตจำขันห้าที่ว่ามันรู้อะไรต้องรู้อะไรเป็นอะไรรู้ให้จักให้ช่วยตัวเองให้รอดชีวิตให้ได้รถจะมาแล้วก็เห็นแต่วัตถุชิ้นนึงแล่นเข้ามาแล้วไม่ปรุงได้ว่านี่รอถอรถ เป็นภาษาภาษาอังกฤษอะไรกันบอกขาขาแล่นมาเขาปรุงไม่ออกอีกว่าขานแล่นมาจะชนเราก็ไม่ปรุงได้แล้วแล่นมาจะชนเราก็าปรุงภาษาไทยปรุงไม่ออกรู้แต่วัตถุชนหนึ่งแล่นมาจะปรุงให้เรากระโดดหลบ ก, ก็ปรุงไม่เป็นมันไปรู้เออรู้ฟฟรปฏิบัติได้ขันห้าไม่เป็นไม่เต็มูกระบวนการแบบเนี้ยแล้วมีบางคนเน่ยไปสอนทึงขั้นเราฟังต่อหน้าต่อตาเราเลยบอกว่าใครรับรู้อย่างเดียวไม่มีเวทนาสัดเวทนาทิ้งรู้อย่างเดียวรู้นิ่งเงียบรู้นิ่งรู้เฉย อย่เดียวรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยแค่คำว่ารู้เฉยรู้เฉยไม่ให้มีเวทนาไม่ให้ไปถึงเวทนาโอ้โหแล้วว่าสอนอย่างนี้นนทันไลมาก เ, เพราะว่า เ, <อ>เจ้าตัวเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเขาคล้ายกันมาเขาเขาไปเห็นเป็นพระเขาอุทานแหลมตอนนี้มีดีเ ข, ขาคา้านอย่างสุภาพบอกว่าท่านไม่เครียดตายแล้วดีกว่าอย่างเงี้ยความจริงเจ้าตัวที่สอนขอเขาเนี่ยเครียดมากเลยเพราะอะไรมันเป็นสะกดไอแค่รู้แล้วมันไม่ไม่ยอมให้ปุงอะไรเลยกลายเป็นรู้เอรู้เอรูอย่าเงี้ยไม่ใชยมันมันรลบรู้อะไรมันต้อง มันเรามารู้วไอท้ทไอ้จิตใจวิญญาณขันเนี่ยมันไปรู้อะไรนะมันไปรู้อาการใช่ไหมรู้อาการที่เพลินโป่งร่วงเบาสบายคือมันก็รู้อยจักถึงกระปรุงด้วยไอ้รูปลดกลิ่นเสียงเสีงผแต่เราเห็นว่าไอ้นี่มันมันมันมันก็ต้องรู้อยู่แล้วมันไกลแต่เมื่อเราเนี่ยฝุดจนถึงการสติตัง้งจิตใจดูที่ใจรู้ที่ใจลับจิใจปล่อยวางที่ใจนั้นทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องรับรู้การทําการงานทุกอย่างเนี่ยมันเนป็มปิติภาพแบบว่าไม่ใช่ว่ามารู้อยู่ที่ใจแล้วงานทําปิติภพปั๊บรไม่ใช่ เราก็ทาํางานเนี่ยตามปกติตามธรรมชาติที่ถูกต้องนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ฝึกจะชนานาญรนสดีเราก็ตั้งิใจดูที่ใจรู้ที่ใ จ, ร, ใ จ, ร, ใจรู้ที่ใจว่าใจเราคิดอะไรเราปรุงกับอะไรก็เพื่ออะไรไว้ตัวอะไรแม้แต่เรารู้ใกล้ที่สุดก็มาก็คือรู้ธรรมรมที่มันเป็นประตูใจเนี่ยเรายังไม่ไปนสนใจต่อไ อ, ไอ้ธรรมลมคือโปง่งโล่งเบาะสะบายบาว่างๆไอ้แน่หรือ่นักซื่อเรายังไม่สนใจเพราะอะไรเราสนใจรู้ว่าให้มีญญาณขันเนี่ยประทูลใจเนี่ย มโนวิญญาณเนี่ยมันเปรู้รู้ทำอารมณ์แล้วเนี่ยมันคิดปรุงปรุงคิดไปอยางไงวะคิดปรุงปรุงคิดยังไงเราก็จะไปหามันมันมันมันปรุงว่อยังไงวะแต่แค่รับรู้รับรู้ไอ้รงวิญญาณขันเนี่ยมโนวิญญาณมันเป็รู้ในปัจจุบันขณะขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่มันเป็นรับรู้ทำอารมณ์แล้วมันปรุงปรุงก็เพื่มไปวไวไวไวไวไวไวไวไวไวไวไววไวไไวไไวไไวไวไไววไวไวไวไวไวไวไวไวไวไวไไวไวไไว้วไวไวไวไวไวไวไวไวไไ มันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่มันได้แต่แค่รับรู้มันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีดวงแก้วอะไรนี้อะไรทั้งหมดแต่มันแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้มันก็เลยเป็นธาตุรู้มันก็เป็นมันก็เลยเป็นธรรมชาติเป็นเป็นทนิพานธาตุเป็นอัตโนมัติไม่มีใครอ่ะเป็นรู้ถึงนิพานอะไรหรอกมันก็คือมันเลยกลายเป็นเป็นเกียร์ออโต้อัตโนมัติจับเกียร์มือเป็นแมนนวลคอต้องย่วยมันเนี่ยหลุลงรู้ตัทานหลงรู้ตัทานเป็นเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์คอยต้องคอยไปช่วยมันพอหลงแล้วคคออยช่่มันนนลรรททาาง้ แต่นี่มันเลยแล้วไม่หลงแล้วเพราะว่ามันสถีตั้งใจใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจไปลวางอยู่ที่ใจแล้วมันแค่รู้ซื่อหรือสับแต่ว่ารู้ไม่มีตัวเราไปรู้ด้วยนีแต่ว่าทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกจิตที่ไหวๆเหมือนใบพัดลมที่หมุนเร็วๆที่กำลังเราให้ดูเนี่ยทุกจิตที่เคลื่อนไหวที่มันมันไปรู้อะไรแล้วมันเคลื่อนไหวจิตมันเคลื่อนไหวทุกคิดทุกอาการเหมือนใบพัดลมที่เร็วๆอย่าไม่มีใครอะพอตัวเราเอาใจของเราเนี่ยไปขัดไปทัดลมให้มันหย ไม่มีใครไปทําให้ใบพัดลมมันหยุดหรือท่านหยุดคิดไม่มีใครเนี่ยหลงติดกับไบกับไบพัดลมคือเธอเพ้อเพอคิดอะไรไปทั้งไม่หลงเพ้อเพคิดอะไรคือติดไปกับไบพัดลมหมุนนิ่งนิ่งนิมีความทุกข์ตกเศร้าเสียใจกับแก่แกน้ำตาไหลออกตาไปตามไบพัดลมหมุนไดดีทั้งไม่มีความรู้สึกถึงเรามีตัวเราไปเป็นผู้รู้คอยขัดใบพัดลมไว้ให้มันหยุดหมุนหุดหยดคิดหยุดนึกหยุดติดต่อให้มันอยู่นิ่ง ไม่มีใครทําทิ่นนั้นคนที่ปฏิบัติผิดในโลกนี้เยอะมากมันไปรู้แล้วไปไปขัดความคิดเหมือนกับใบพัดลมของความคิดให้มันหยุดนี้ได้เข้าใจว่าถ้าขัดให้มันผิดที่มันคิดเหมือนคิดคิดคิดหมือนใบเหมือนใบพัดลมเนี่ยมันหยุดได้เราจะไปรู้วันนี้ว่าหมายเพราะประเด็นผิดอันเนี้ยเป็นเกือบเกือบร้อเปร์เ็นต์ของผู้ปฏิบัติทําในโลกนี้ แล้วเออหมดเริอยู่แต่หน้าเราที่สุดแล้วผู้ปฏิบัตินี้นานๆถ้าทําได้หยุดได้นะก า, า, ารพิษรบกัตาต้อไปหาหมอกระทบอะไรไม่ได้เลยกระทบนิดนึงน้าตาไหลกระทบกระทบอาจารย์ว่าหน่อยร้องให้เป็นงเพรากินเองพูดนิดหน่อยไม่ทันว่าเลยอ่ะร้องให้หัวเราะดีๆไปแย่หน่อยร้องให้เลยบอกว่าทําไมหัวเราะแต่ใบหน้าทําไมใจไม่ไม่หัวเรอะด้วยใจไม่ยินด้วยล่ะ เวลาเราแตะใบหน้าเนี่ยโอ้โหร้องไห้มากมายเลยท่านเจ็บที่ไหนคือท่านเจ็บที่ฟังรู้สุดแรงไม่เจ็บทําบรอยากได้จิตหรือผู้รู้เนี่ยฟังไม่เจ็บมอนลมเราไม่เคยมองเห็นลมเลยแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้จากใบไม้ที่มันสืบไหวนั่นคือที่เรารู้ภาดรู้หรือรู้ผู้รู้เนี่ยก็จับสภาวะที่มไหวไหวไปไหวมาแต่คนบางคนเนี่ย อทนท่จะเห็ น, นลมมันตามธรรมชาติว่าลมมันไม่มีโซ่ไม่มีตรงตรงเนี้ยขับพยายามไปจับใบไม้ให้มันหยุดนิ่งแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเจอภาพรูแล้วจับภาพรู้ไว้ให้นิ่งอันนี้นนคือเขากระจายผิดตัวผูอ้อืน่นง่ายเขากระจายผิดว่าถ้าใบไม้มันหยุดไหวอ่ะหรือจิตเราเนี่ยหยุดคิดเราจะนิ่งนนเราเราลุก น, นิพนผานหรือเขาเมื่อจิตเราเนี่ย ทิศทางหนึ่งเนี่ยไม่มีสองประเภทที่เลยกิจที่ไร้แรงไรกาศก็คือว่าที่เราสอนไม่ได้แล้วสอนแต่พวกที่ทาแบบที่เราสอนไม่ได้เลยคือไปเร่งให้จิตมันหยุดนิ่งหยุดคิดแล้วก็หมายเอาว่าเป้าหมายสูงสุดคือจิตหยุดนิ่งหยุดคิดคือบรรลุผนิพพานอีกพวกหนึ่งคือพลิกความรู้สึกไปเลยเวลาใจมีอะไรเกิดขึ้นมีลมมีความรู้สึกมีความสบายใจทนต่อสภาวะนั้นไม่ได้ พิกความรู้สึกปุ๊บใเหลือแต่ความว่างว่างไว้รับรู้อะไรเอออยู่ลามณ์เออเออแค่นัแล้วพอมีความคิดอีกคนน่ากลัวมากเลยบอกกับเราเห็นเจ้านายเดินมาเขาทําความผิดอีกเจ้านายเดินมารู้เลยว่าเจ้านายต้องดา่าแน่นอนเขาทําใจของเขาจากนายไปสั้ น, นเขาพลิกใจของเขาไปสู่ความว่างปุ๊บ แล้วเจ้านายมากระดาษจริงๆเขาเห็นแต่เจ้านายทำปากขยับขยับขยับไปแล้วก็เสียงก็ดังหยู่แต่เขาไม่รู้ว่าเจ้านายผู้ก็อะไรเขาไม่มีความทุกข์กับเจ้านายเลยเจ้านายก็ด่าไปเถอะแต่เขาไม่มีความทุกข์กับเจ้านายเลยเขาบอกว่านี่คืนที่ผ่านแล้วหลายคนอย่างนี้มาหาเราเป็นอย่างนี er ้เยอะแยะมากเลยว่าเขาเลยเขาไปอยู่กับอารมณ์อย่างนั้นแหะไปอยู่กับช่องว่างของอารมณ์นะไปอยู่กับช่องว่างออารมณ์นั้นแหะแล้วเขาบอกที่ิี่เขาไม่มีปัญหา แต่คนอื่นกลับเห็นว่าเขาเนี่ยเจ้าปัญหามากเลยแต่เขากับเขาว่าเขาไม่มีปัญหาเลยคนอื่นเห็นว่าเขาไม่เจ้าปัญหาอะไรคือทํางานไม่รู้เรื่องทํางานไม่มีเด็ดภาพอะไรเลยจะว่าอะไรจะสอนอะไรมันไปฟังเลยมันไม่เคาเรียกว่ามันไม่สนองตอบต่อเจ้านายไม่สนองตอบต่อคาสอนไม่สนองตอบคำดูด่าว่ากล่าวว่าอะไรเขาก็จะดูด่าว่ากล่าวพราะจะมีอารมณ์เกิดขึ้นมามันพลิกพลิกความรู้สึกของตัวเองก็อยู่กับโลกของความว่างแล้วมันไม่เรียนรู้ไง ไม่เรียนรู้ในสิที่ก็สอนไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เจ้านายเพราพยายามจะสอนจะดุแต่ว่ามันไปอยู่กับโลกของความที่ไม่รับรู้ไม่รับรู้อะไรไม่รับรู้อะไรอยู่กับครอบครัวก็ไม่ยอมรับรู้ปัญหาในครอบครัวอยู่กับที่ทํางานก็ไม่ยอมรับรู้ปัญหาของที่ทํางานอยู่กับใครก็ไม่ยอมรับรู้เรื่องของใครปู่อยู่กับโลกส่วนตัวปู่แค่นั้นเนี่ยพวกเนี้สร้างโลกส่วนตัวให้กับตัวเองเราเรียกพวกนี้ว่าโลกบ้านน้อยหอยสังไม่รู้จักว้านิฐานไทยอสมัยอีสปนิไทานอีสไทยคือเอ่เกิดมากับอยู่ในหอยสังอ่ะ แล้วก็พอมีเรื่องเวลาแล้วก็คนรู้จะหลบไัยก็หลบวิ่งหนีก็ไปในหอยสัไม่ใครรู้ไม่มีใครใค ร, ค ร, รู้เราเรียกว่าโลกบ้านน้อยหอยสัพวกนี้เยอะปฏิบัติอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยคือ น, นิพพานมันกาเยอะนทีนี้ปฏิบัติที่ถูกต้องมันยังไงอ่ะปฏิบัติที่ถูกต้องคือมันมีแต่จิตเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวไปตามความเป็นจริงว่าของธรรมชาติว่าขนาดนั้นมันกระทบไฟกระทบแรงกระทบอะไรอ่ะมันก็เคลื่อนไหวไปตามความเป็นจริงนั่นแหละ มันไม่เรียกกุศลนักุศลหรอเพราะว่าตัวมันเองมันไม่รู้หรอกมันคือกุศลนกุศลนักกระทบแล้วอรกูกไรกีกทเีตามความเคยเเคยใจของแต่ละคนะแต่มันไม่หลไปแค่นั้นเองมันได้แต่รู้รูแค่รู้แค่รู้แค่รู้มันไม่เรียกกุศลนกุศลเพราะว่ามันเห็นแต่เป็นอาการของใจทั้งหมดอะไม่ว่ากุศลมันก็เป็นอาการของใจไว้ไหวเอกุศลก็เป็นอาการของใจไม่ไหวเหมือนกับใบพัดลมที่กำลังหมุนอยู่เนี่ยมันคิดที่มันเคลื่อนไหวหรือมันมันคิดปรงปรงคิดหรือมันเคลื่อน มันจะเคลื่อนไหวแรง <c oughs> เคลื่อนไหวค่อย <c oughs> เคลื่อนไหวเกียร์นึงเกียร์สเกียร์สาเราจะเรียกมันว่า <c oughs> เคลื่อนไหวส่งไหนเป็นผู้ส่วนนะผู้ส่วนอ่ะมันก็คือใบพัดลมที่หมุนมั่งแน่นแต่พวกเราเห็นไหมเราเห็นใบพัดลมที่กําลังหมุนเนี่ยไม่เคยมีใครอะ่ะไปคอยองแสงขัดให้ใบพัดลมมันไม่หมุนโดยไปสร้า ง, งความรู้สึกว่าถ้าภายใ น, ในใจิตใจอะ่ะมันหยุดอาการที่เคลื่อนไหวได้เราก็จะรู้วันนี้ผานเราก็เลกทํา ผู้ปฏิภาณยั ง, ยงไงก็ได้ให้ความคิดทั้งหมดมันดับไปให้อาการทีจะมันดับไปมันต้องเข้าใจว่าเร า, เาเก็เจนผิดกับขา้าจนถูกกับเดินทางผิดจะเดินทางถูกกัเราหมายผิดถ้าไรในหมายแบบนั้นเราต้องปฏิบัติผิดแน่นอนเราไปปฏิบัติหมายว่าไปพัดลมต้องหยุดคือจิตต้องหยุดการเคลื่อนไหวอย่างนั้นเนี่ยเราต้องปฏิบัติยังไงไปสู่จิตที่หยุดการเคลื่อนไหวแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือสารวาตัตรมาอยู่กับเราก็มีหรือว่าฟังเราสอนอยู่เนี่ย ขณะที่เราสอนอยู่เนี่ยนั่งฟังกันอยู่เนี่ยพอาจิตข้างในเนี่ยมันคิดขึ้นมา <Sí. S 1> เขาก็มีผู้รู้อย่งงานเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปจัดการกับความคิดนั้นไปจัดการอย่างรวดเร็วชึบความคิดหายไปแล้วก็มีความคิดใหม่ขึ้นมาอีกไอ้เขมีผู้รู้โผล่ขึ้นมาแล้วไปจัดการกับความคิดเึิ่พอความคิดเกิดให้ผู้รู้ก็ไปจัดการกับความคิด เขาฝึกแบบนี้ปรุงฝึกมานานแล้วว่ามันถึงเร็วมากเนจัดการเร็วมากคือเพราะเราสังเกตดูว่อนั่งฟังคนนี้นั่งฟังมันไม่ถามอะไรเลยมันนั่งฟังอยู่ตรงนี้ยนั่งฟังแล้วไม่ถามอะไรคนอื่นก็ถามแต่ตัวเองไม่ไม่ถามแล้วตัวเองก็ไม่ไม่ฟังด้วยเพราะตัวเองอ่ะไล่แต่จะจัดการความคิดข้างในเราวว่าทำไรพวกนี้พอความคิดเกิดก็พอความคิดเกิดไอผู้รู้ที่ปรงแต่งปรงแต่งเป็นผู้รู้มาจัดการความคิดมันจะหายไปพอความคิดเกิดไอง พวกแต่ผู้รู้ว่าจารการความคิดหายไปจำ <c oughs> เนี้ย ท, ทาําอะไรอ่ะทำเหมือนวัวกระทิงบ้าไล่ขีดอะไรอยู่เนี่ยหรือทําเหมือนกับเป็นนักหวยขึ้นบนเวทีแล้วต่อยเขาประเด็นตกเวทีหมดแล้วก็พอใจกับเวทีที่ว่างเปล่าที่สู่กับเวทีไมได้ว่างเปล่าหรอกเพราะอะไรต่อยก็ตกเวทีตัวเราอยู่บนเวทีไอผู้รู้เนี่ยมันตั้งรู้ไว้ตัวเราตั้งรู้ความบนเวทีไว้แล้วเราก็พอใจกับเวทีที่ว่างเปล่า มันยิ่งไม่ใช่มันตั้งสมุทิขาเลยทีแล้วมันก็ไปพระโลกที่มันหุนแล้วมันเป็นจัดการให้ไปพระโลกในมันหยุดหุนมันก็รับรู้ทุกขณะปฏิสัยว่าพะอวิญญาณนักขันนัมโมวิญญาณประตูใจเนี่ยมันไปรู้ธรรมอารมณ์ทางประตูใจคือรู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยหรือว่ามันไปรับรู้ไอ้ไอ้อาญาตระหนักายนอกอะพามอารมณ์ในไอาญาตระนักรายนอกเนี่ยมันมีอะไรก็ตามเนี่ยที่มันให้ถูกรู้ทางประตูใจเราเรียกว่าธรรมอารมณ์ มันสามารถรับรู้ทางประตูใจได้ถ้าลูกมันก็รับรู้ทางประตูตาใช่ัหมเสียงมันรับรู้ทางประตูหูแทํารอารมณ์เนี่ยคือทุกความรู้สึกทุกคิดเป็นตอบอารมณ์ปรุงแต่งอะรต่างๆที่มันจะเพื่อมมันไหวๆๆๆตัวภายในใจเราไม่รู้ว่จะไม่ต้องเรียกชื่อมันก็ได้มันเรียกว่าทำอารมณ์หมดคือมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจสิ่งที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจนอกจากลูกเสียงกินรสแล้วก็สิ่งที่มาสัมผัสฝุ่สัฟฟ้าสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วนอกจากนั้นมันรัรู้ทางประตูใจหมดมันก็ได้รู้แียน ให้ธรรมอรมเนี่ยสังเกตไหมเราจะพูดอยู่นนนนอเนี่อเนื้อคือไอ้อัาการของธรรมอรมในปัจจุบัน <c oughs> ต้องเป็นตัวสิ่งที่ปรากฏการเคลื่อนไหวในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะปรากฏการเคลื่อนไหวแต่ผู้รู้เนี่ยไม่ปรากฏตัวผู้รู้ไม่ปรากฏตัวส่วนผู้รู้ไม่ปรากฏว่า ม, มีมีความรู้สึกว่ามีผู้รู้เข้าไปจัดการอะไรภาพนีผู้รู้เข้าไปจัดการอะไรมันก็จะเหมือนกับคนที่ ที่เราปฏิบัติที่เราปฏิบัติผิดคือพอมีความคิดเกิดขึ้นในการที่ฝุดมาเร็วมากพอความคิดเกิดขึ้นมันก็มีมีผู้รู้เกิดขึ้นไปจัดการจัดการความคิดกันพร้อมกันเลยเพราะพอมีความคิดเกิดขึ้นก็มีผู้รู้เกิดขึ้นแล้วก็ไปจัดการความคิดนั้นให้ดับไปโดยหมายว่าถ้าความคิดดับไปทั้งหมดแล้วทุกอย่างก็จะสนิทผ่านมันก็พอมีความคิดเกิดขึ้นก็เอาผู้รู้เกิดขึ้นไปจัดการพร้อมกันพอความคิดเกิดขึ้นผู้รู้เกิดขึ้นก็ไปจัดการความคิดนั้นพร้อมกันเลยอ่อยทำพร้อมกันอย่างนี้เรื่ และไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่มีวันหยุดสุดสิ้นให้ผู้รู้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการความคิดพรอมกันเรื่อยไปอย่างเนี้ยทําอย่างเนี้ยมันก็เลยไอ้ความคิดก็มันก็เป็นก็ปรุงขึ้นมาไอ้ผู้รู้กับตัวเองก็ปรุงขึ้นมาแต่ความคิดมันเป็นขันหน้าปรุงขึ้นมาแต่ไอ้ผู้รู้เป็นสิ่งที่ตัวเองก็เอาขันหน้าปรุงขึ้นม า, <ver> าที่พี่อาจารย์ยกตัวอย่างครับบอกว่าก็คืออพอมีความคิดเกิดแล้วนกะ็คือคนก็ไปปรุงเป็นผู้รู้ขึ้นมาไปดับความคิดนั้น ก็คือไปยุติความคิดนั้นอันนี้คือเป็นลักษณะของความหลงไปที่ถูกนี้ต้องแก้แบบไหนที่จะเป็นธรรมะลมปัจจุบันขณะครับพอาจารย์ไม่ว่าเราจะรู้อะไรรู้ความรู้สึกรู้ความนึกรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้ความคิดตึงตองรู้สว่างรู้ว่างรู้ข่องใสรู้สอรหมองก็ตามเนี่ยให้ดูที่ใจเราอะดูที่ใจ สติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวันที่ใจว่าพอไปรู้สิ่งเหล่าเนี้ใจมันไหวไหมอย่างไรใจหรือจิตหรือวิญญาณที่มันที่เราเรียกวิญญาณเราชื่อใจที่จิตมโนวิญญาณเรียกอะไรกับภาษาเนี่ยคือมันไหวตัวจะมันหวั่นไหวตัวเกิดขึ้นอย่างไรให้จร่งๆถ้ารู้จะเป็นอดีตเรื่อยไปแต่ใจที่ไปรู้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วมันคิดปรงปุงคิดมันไหวตัวอย่างไรมันจะเป็นจิจะเป็นจิตปัจจุบันเรื่อยไปแต่ถ้าเราไปรู้แต่อาการมจะเป็นอดีตรู้อดีตเรื่อยไป เราจะไม่รู้ทําในปัจจุบันทำในปัจจุบันทำอารมณ์ในปัจจุบันที่แท้จริงเนี่ยก็คือใจเราเนี่ยใจหรือจิตเนี่ยหรือวิญญาณเนี่ยที่ไปรู้แล้วมันก็ปรุงคิดคิดปรุงต่อความคิดเราอย่างนั้นว่าไงวะความคิดนี้เป็นอกุศลต้องใช้ดีไว้พอมันคิดอย่างนี้ไอ้ความคิดมันเป็นอกุศลคิดอย่างไ้ไงวะเอ้ความคิดดีดีดีดี่ยดีไอ้ที่คิดว่าดีดีนี่ก็คิดปรุอีกคุณอะไรเออกับ อาจารย์นะอาจารย์ถามต่อนิดนึงนะครับก็คือเปรียบเสมือนกับกรณีเรานั่งสมาธิเราเห็นนิมิตหรือเห็นสิ่งต่างๆอะไรอย่างเนี้ยแล้วแทนที่เราจะพิจารณาอยู่ที่ฐานใจของเราก็คือพิจารณาที่ลมหายใจหรือพิจารณาที่รู้เรากับวิ่งความนิมิตนั้นไปแสดงว่าถ้ากับเราปล่อยตัวเราไปแล้วไม่ยอมอยู่ที่ฐานใจใช่ไหมครับอาจารย์เราปล่อยการรู้สึกตั้งตีใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจวิ่งไปตามนิมิตแล้ววิ่งไปตามไม่ที่เรารู้เห็นทางประตูใจคือทาอารมณ์เราหลงทรงอารมณ์ไปแล้ว เราไม่ได้สติสร้างที่ใจดู้ที่ใจรู้ที่ใจแล้วจะว่าใจตัณใจจตุจิตใจอหรือวิญญาณหรือวิญญานหรือปีติที่ไปรู้ไปรู้แล้วเนี่ยไปรู้อนิวิตไปรู้นิวิตมันคิดปุงปรุงคิดกับนิวิตนั่นยังไงอะแล้วก็อยู่กับรู้อ่ะอยู่กับรู้ไม่ใช่ว่าไปอยู่กับไอ้นิวิตแม้แต่ว่าคุณสติสร้างที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจแล้วนะปล่อยวางที่ใจแล้ว คุณไม่หลไปตามนิมิตแล้วนะคุณมีสามารถที่สติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจแล้วที่ใจปล่อยวางที่ใจแล้วนะคุณทุกขณะที่คุณไปเห็นอะไรไปรับรู้อะไรไม่แต่รับรู้นิมิตรับรู้ธรรมารมณ์เนี่ยแล้วในปฏิวัติแล้วเนี่ยแล้วคุณก็เห็นได้ว่าจิตหรือใจหรือวญาณเนี่ยมันคิดปงป ง, งคิดอะไรในขณะนั้นเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ตักแต่ว่ารู้คุณหลงไปตามความคิดและอารมณ์นั้นคุณไม่ไม่หลงไปตามนิมิตกันจริงอ่ะ แต่คุณไปรู้นิดนิดแล้วคุณคิดปรงปุงคิดว่ายังไงแล้วคุณก็หลงไปตามความคิดกุณก็ยังหลงไปอีกหลงก็ทำอารมณ์อีกหลงก็อดีตอยู่เดิมเนี่ยคุณจะต้องไม่หลงไปกับอะไรเลยแม้แต่จิตปัจจุบันที่มันคิดปรุงในปัจจุบันที่คุณรู้แล้วสติตั้งสตใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจว่าจิตเกี่ยวจิตหรือใจหรือที่มันไปรู้อะไรแล้วมันมันคิดปรุงต่อสิ่งที่รู้อย่างไรแล้วคุณก็รู้จิตปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขณะเนี่ยแล้วคุณเน่ะแม้แต่จิต รู้ประจุมจิตปัจบัขนขณะแค่รู้แค่รู้แค่รู้โดยไม่ปรากฏตัวตนของผูร้รู้ไม่ปรากฏผู้รู้ที่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวทั้งหมดในจิตใจเราทุกขณะปัจุบันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดแต่ผูร้รู้ไม่เคลื่อนไหวได้เลยถ้าอย่างนี้คุณจะไม่หลงทั้งไ อ, อารมณ์และความรู้สึกแน่ดีทั้งนี้แน่ดีที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้จะเป็นแนดีได้ไปและจิตที่ไปรู้และคิดปรุงในปัจจุบันคุณก็จะไม่หลงหมดทั้งอดีตและปัจจุบันไม่หลงมือนกับอะไรเลย กินเป็นพุทธะหรือเป็นธาตุนู้หรือนิพานธาตุหรือธรอรมธาตุด้วยอัตโนมัติครับกับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับกระช่างกระจายแล้วครับพระอาจารย์ที่เหลือคือเอที่พระอาจารย์กล่าวมานี่ก็คือเป็นความรู้จากที่พระอาจารย์สอนผมแต่ที่เหลือก็คือเปลี่ยนเสมือนผมมีเครื่องปรุงอาหารแล้วที่เหลือคือผมจะไปปรุงอาหารต่อครับพระอาจารย์แล้ว นี่อาอ่าไหนว่าไงเขาใจได้ยังไงแด่ดูนีก็จะจริงตอบกลับไปทูกถูกไหมไม่ค่ะเคยเคยปฏิบัติสมาธิครั้งหนึ่งแล้วมันมีความความขึ้นมาว่ากิจคือพุทธะหนูก็หาคำตอบนี้มาโดยตลอดแล้วจากที่ได้มากับพระอาจารย์มา กันทราบแล้วว่าพอเมื่อเมื่อเราดูแล้วก็ตูใจธรรมารมณเป็นยังไงการนึกคิดมีแต่งเนี่ยหนูหนูต้องการการปฏิบัติต่อจากจากตรงเนี้ยคราวนี้พอทับรู้เรื่องของการบ่อยกระเพื่มแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้ว่าไอ้สติที่เราต้องหวางที่ใจละที่ใจหรือที่ใจแม้แต่ตัวชารู้จริงๆก็ต้องไม่กระเพื่อมไปกับสิ่งนี้คุณค่ะอะไรตั้งใจแล้วกลับไปปฏิบัติใช่ไหมเป็นไง เมื่อรู้ว่าสมาธิเราเต็มขั้นแล้วยังไงก็ไม่ไม่สามารถทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้อะเราก็ต้องมาเข้าสู่วิปัสสนาก็คือที่พระอาจารย์อธิบายไปเมื่อเช้าค่ะดูอยู่กับผู้รู้แล้วก็ดูขันห้าทั้งห้าแล้วก็เปิดประตูใจแล้วก็อยู่กับผู้รู้โดยไม่เอาผู้รู้ของเราไปยึดติดกับธรรมะมแค่เรารู้ว่าเราคิด ก็ไม่ใช่ก็ต้องรู้เฉยๆนะคะ่ะรู้อย่างเดียวผู้รู้ของเราขยับไม่ได้รู้ไม่ได้ขยับขยับไปรู้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆอย่างเดียวะคะ่ะแค่อยู่กับผู้รู้แค่เรารู้ว่าตอนนี้เราคิดแล้วนะหรือเรากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่หรือว่าเราจะไปหยุดคิดทุกอย่างนี่คือการปรุงหมดเลยะคะ่ะเราต้องอยู่แต่กับตัวผู้รู้ อเมื่อเรามีแต่ตัวผู้รู้ก็คืออันนี้ความเข้าใจของตัวเองนะคะคือไม่ต้องไปพูดถึงนิพพานหรือไม่ต้องไปพูดถึงตัวพุทธะ mm hmm. ก็อยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะก็จบแค่ตรงนี้คือทําตรงนี้ให้ได้ค่ะถ้าปฏิบัติถึงธรรมชาติของธาตุรู้หรือรู้ตามธรรมชาติเนี่ย mm hmm. มันก็จะเป็นทุกอย่างมันจะเป็นธาตุที่เป็นธาตุตามปกติของเขา mm hmm. คือ ชาตรู้เนี่ยมันก็จะไม่ผิดธรรมชาติไปมันก็จะเป็นรู้แค่รู้เพราะว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของชาตรู้คือมันแค่รู้แค่รู้แค่รู้ส่วนตัวมันไม่มีกริยาการกระเพื่อมือนกันอัตตากยาการที่บายตัวมันไม่มีมันมีแต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้เพราะหนูมันเนี่ยแค่รับรู้แค่รู้แค่รู้ต่อตาวรู้สติตั้งที่ใจดูที่ใจดูที่ใจละที่ใจไปวางิี่ใจอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันท่ามาช่วยมันให้เราเหม่อเพเพลิน เมืาไม่เหมือเพลเพลนนสติสมาธิปัญญามันมช่วยแค่ทําให้ไม่เหมือเพลเพลนสติสมาธิ ป, รรปัญญามันเึกนขัน 5, ห้าเพื่อมาช่วยตัวขันห้าเนี้ยไม่เหมือเพลเพลนเมื่อขันห้าไม่เหมือเพล เ, เพลนปุ๊บมันก็เลยมันก็เลยแค่สามตรถรู้ทิ่ใจได้เพราะมันเอาสติมาตั้งที่ใจถ้าเราไม่เอาสติสมาธิปัญญาในขันห้าเนี่ยมาช่วยให้มันสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใ จ, ลใจปล่อยวางที่ใจมันก็จะไปตั้งว่าที่คนโน้นคนนี้ลูกรถกินเสียสักฝัดเด็ดสีไปตั้งว่าที่ลูกที่หลานทีีีี่่่่สามมทรรพอแน้ง มัไปตั้งไว้ที่คนอื่นมันจะไปรู้เรื่องแต่คนอื่นมันก็เลยน้าตาไหลออกจากตาอยู่ตลอดไปเพราะว่ามันไม่สร้างพินใจรู้พิจัยรู้พิจัหลับพิจัยเราช่วยมันเอาสติเอาปัญญาในขานหน้ามาตั้งใจรู้พิจัยรู้พจัยหลับพจไปล่อวางพิจัยแล้วก็ธรรมชาติของธาตุรู้มันก็เป็นปัญญาของเจ้าตัวเนี่ยสติคือขันหน้าปัญญาคือขันหน้าเนี่ยการเข้าใจที่ครูกายพูดไปแล้วเนี่ยมาช่วยให้ความรู้ธาตรู้ที่ไม่มีการส่งเสร็ง แล้วพอธาตรู้มันบริสุดแล้วแบบเป็นธรรมชาติที่ไม่ตผงแ่งแล้วไดแต่รู้แล้วธาตุดินธาตุน้าธาตุาลมธาตุไฟมันก็จะเกิดกลายเป็นแก้วไปด้วยคือเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ด้วยให้ร่างกายที่เจ็บปวดมันจะหาเจ็บปวดได้มันก็จะหาเยเจ็บปวดไดส้สิ่งที่ต้องฝึกก็คือฝึกไปละปล่อ ย, อยวางไปเรื่อยๆใช่ไ้ยคะคือฝึกรู้ที่ใจ ละที่ใจวางที่ใจแล้วก็ค่อยๆวางไปได้เรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก่อได้ก่อนเนี่อย่างนั้นแหละส่วนที่ทเหลือแต่รู้ที่ในเคลื่อนไหวแล้วก็พวกคนเป็นมะเร็งอะ่ะมันก็หายได้ก็คือจากเนื้อร้ายเนี่ยเหมือนคนเมื่อวานมหาเราก็เป็นมะเร็งก้อนใหญ่ในสมอง ต, อต่อไปไอ้ก้อนมะเร็งก็ใส่ได้ไอ้เนื้อมะเร็งอ่ะมันจากเนื้อร้ายมันกลายเป็นเนื้อใสได้เยพวกรู้่เราไม่ต้องมาทำลายมานันหลัง พอจิตมันบริสุทธิ์เนี่ยธาตุดินน้าลงไปมันก็บริสุทธิ์มาเลยพอเราไปเผาแล้วกระดูกของส่วนที่เหลือเนี่ยไอ้พวกผมคนเล็บฝ้านังอะไรที่มันไหม้รวมกับกองที่เท่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นระธาตุทันทีส่วนกระดูกที่ก้อนใหญ่ๆมันก็ยังไม่ค่อยเป็นแต่ไอ้พวกผมคนเล็บไอ้พวกอะไรที่มันเป็นในพวกของที่มันเป็นละเอียดละเอียดเนี่ยมันเป็นรวมกับที่เท่าเวลาโกยมาเนี่ยไปแยกแยะกูจะเป็นเป็นเจ็บมันเป็นเจ็บเ็เป็นเป็นแก้วส่งัพธ์ที่กว่าพระธาต คือแสดงว่าไอ้ร so pues nope. no ่างกายเราเนี <sh> ่ยมันก็ใสขึ้นพอจิตมันใสมันสะอาดบริสุทธิ์มันหมดแล้วแต่ธรรมชาติของธาตุรู้ที่บริสุทธิ์แล้วที่นับลงไปมันก็บริสุทธิ์ตกผลึก้นหมดแล้วตอนนี้เวลาเขาเาเลือดหมอก็ไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดตัวเลือดมันก็เป็นผลึกตกเป็นแก้วใสมันก็เลยกลารเป็นผลึกหมดนั้นแม้แต่เซนเมลีนที่มันเน่ามันเสียเนี่ยเป็นเซนเสียเซนเมลีนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเซนมะเมลีนที่บริสุทธิ์ไป้วยคือเป็นเป็นผลึกแก้วไปเยมันก็เลยไม่ไม่ทำลายตัวมันเอง นี่ก็ทําให้โรคไขข้อเจ็บหายได้อีกกรนีหนึ่งอะเราอายุสั้นก็เพราะว่าเราทําบาปกรรมไว้คือฆ่าตัดจากชีวิตเปลี่เปียนชีวิตอื่นสัดอื่นมาทึงทํำให้เรายุ่งสั้นถ้าเราไม่เคยฆ่าตัดากชีวิตไม่เดลี่เรียนชีวิตอื่นสัดอื่นมาทุบทชาติถึงในชาตินี้เราก็จะไม่ยุ่งสั้นเราก็จะตายไปเพราะว่าแก่ชราตายไปแล้วไม่มีโรคไขข้เจ็บเจ็บเดียนเรามีโรคไขข้อเจ็บเจ็บเดียนก็เพราะว่าเรามีบาปกรรมที่ทําไว้คือเปลีดยนเปลี่ยนชีวิตอื่นสัดอื่นทําให้เราต้องตายก่อนในยุคไข นอกจา ก, กจากิต เ, เราจะบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตเราจะบริสุทธิ์แล้วคือธาตุรู้ที่บริสุดทําให้ธาตุดินน้ําลมไฟบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติอันนี้คือกรรมกรรมเพราะว่านอกจากว่าร่างกายขันห้าเราแตกดับไปซะแล้วไปดินก็ไปดินน้ําก็ไปน้ําลมก็ไปลมไฟก็ไปไฟแล้วก็ธาตุรู้ก็ไปสุดธาตุรู้คือความว่างเปล่าของจักรวาลอันเนี้ย พอธาตุรู้มันกลายเป็นความว่างเปล่าในจักรวาลมันไม่มีตัวต น, นของผู้รู้ไม่ดินเตอร์ตัวเราเหลืออยู่ในธรรมชาติในจักรวาลไอบาปกรรมทั้งหมดเราได้ผลไม่ได้แต่เราเนี่ยเมื่อเราบรรลุถึงมันจะมีชีวิตอยู่ขันห้าจะมีอยู่ต่อให้เราก็จะถึงธานรูกร้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับธานรู้ที่บริสุทธิ์คือไม่เข้าไปยึดอะไรแล้วได้แต่แค่รู้ไม่รู้แล้วไม่เข้าไปคิดอะไรแล้วเนี่ยเป็นความเป็นธานรู้ที่บริสุทธิ์เลยก็ไม่ดินน้ำลมไฟบริสุทธิ์ไปด้วยแต่เมื่อขันห้ายังมีอยู่ เจ้ากรรมในเวรก็ให้ผลได้กรรมเวรผลของกรรมเวรที่เราเนี่ยทําไว้ก็ให้ผลได้จึงทําให้เนี่ยเราเรียนเจ็บป่วยอยู่สั้นได้ถ้าเราเนี่ยมีความตั้งใจแน่แน่เด็ดเดี่ยวมั่นคงตั้งศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สุเมธารดาคูบาอาจารย์พ่อผู้ที่เราร่วมเกิดและทั้งหมดทุกคนที่ชาติในชาตเนี่ยเราสมรสคิดจริงจริงใจใจของเราเราสมรสคิดจริงๆที่เราเนี่ย ถ้าเราได้มาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เรารู้เห็นขนาดนี้ยเราจะไม่ผิดศีลผิดธรรมอีกี่เราทําผลาดมาแล้วฮะเราสมมติเสยีสยใจจนไม่จิตจริงๆมันไม่ใชเป็นหีคือความลายใจใจเราตั้งปัจจัยฐานเป็นโอดตป ะ, ปะวะ่านักแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทําบาปความชั่วทางกายวาจาใจต่อไปจะไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วชีวิตที่เหลือเราก็จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ฟังเราเสร็จเสร็จแล้วรู้แล้วว่าจะกลับไปปรุงอาหารด้วยกับวิธีอย่างไรแล้วก็ฟังเราไปแล้วปัญญาที่ฟังเราไปทั้งหมดเข้าใจแล้วมันเป็นสุตสัจนิยปัญญาที่ท่านฟังต้องเอาไปเป็นกิจตามนิยปัญญาเอาไปกบคิดพิจารณาและเจิดถึงภาวนาปริยปัญญาคือไอตอนที่เรานําเอาความรู้ความเข้าใจที่เราตอนในในขณะนี้เป็นสุดสัจยปัญญาเนี่ยเอาไปกบคิดวิจารณาและปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นจริง เป็นขั้นของการไปทำกองข้าวตามที่เราสอนไปไปปรุงเ ร, เราสอนได้หมดแล้วเพื่อนปรุงว่าปารุงยังไงรสชาติเป็นยังไงเขาไปปรุงผินเองไปปรุงใหม่ใมันก็ปรุงผิดปรุงถูกแนหะคืออร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเราก็ค่อยๆแก้ไขไปแก้ไขไปแก้ไขไปแล้วมาถามใหม่แก้ไขไปแก้ไขไปแล้วมาถใหม่อย่างนี้ก็เรียกว่าไปถึงขั้นภาวานาไปจะปัญญาที่ลงแก่ใจลงแก่ใจแล้วก็ใจเป็นสุชชาคือเป็นภาตรู้ที่ ได้แต่แค่รู้ไม่เข้าไปคิดอะไรได้ไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีเมื่อไม่มีตัวตนของผู้รู้จึงไม่มีอะไรไปคิดอะไรได้แต่รู้ไอการที่มันจะคิดอะไรได้เพราะผู้รู้ไม่มีตัวตนถ้าสิ้นตัวตนของผู้รู้ผู้รู้ไม่มีตัวตนแล้วได้ใจของเรามันจึงได้แต่แค่รู้เพราะไม่มีอะไรไปคิดสิ่งใดๆเพราะรู้ไม่มีตัวตนมันจึงรู้ไม่มีตัวตนก็คือเราไม่มีตัวเราด้วยเพราะว่าเมื่อรู้ไม่มีตัวตนก็คือตัวเราก็เลยไม่มีจึงไม่มีตัวเราไปคิดอะไรเลยค่ได้แต่แค่รู้ นั่เป็นขั้นถึงนั่นภ า, นาวนาวิญญาณนั่นแล้วก็ลงไปขั้นเด่นเพื่อไปถึงธาที่บอ่อยสุดแล้วกรรมเวททั้งหมดอาจจะได้รับการอภัยบ้างออกทิกรรมบ้างต่วที่เลอะหนักหนักก็รับไปก่อนตัวที่เบาบางก็อาจจะหมดไปกรับไปตามสภาพเราป่วยแล้วก็เจ็บแล้วก็เป็นแลแต่มันอาจจะบิชีวิตอยู่ที่จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เจะพูดภาษาตะนะเพื่อเหลือเกิดกุลโลกเลยบอกช่สอนช่วยทีย่แม่เขาให้เข้าใจอย่างที่เราปฏิบัติได้นในขั้นของสุตตะวิยปัญญาสอนเขาบอกเขาภาวนาให้เขาไปทําเองให้เป็นไอจิตตะวิยปัญญาการเอาไปกบที้ดินาาทําปรุงลดอาหารนี่มันเป็นถึงขั้นภาวนาวิยปัญญาจะทาอาหารอร่อยจนทาได้ให้เกิดคนอย่างเนี้ยต่อต่อการตายเมื่อเราตายแล้วก็ทิ้งคนเหล่านี้ย ให้ก่อนคนอื่นต่อไปเสียชีแิตประโต่อไปเรว่อยไปคาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและทุกขณะจุบวันทุกวันก็แผ่เมตตาให้แก่สัพัตสังหลาเจ้ากรรมใยเยนทงเทพบวตาอินพุิมยมยักษ์หน้าคุดมนุษย์คนทาสัพพสัมบุตรฟ้าใต้ทีนาอากาศทั้งสัจานเป็นอตรกายสักมนุษย์ทั้งหมดทั้งปมงไม่ยลคุณิดาบรดาคุบาจารย์คนที่รักใครจเป็ความเกียจชังไม่มีเกิดคนใดอีกแล้วแต่เมตตาเขาทุกวันทุกวันแม้แต่เชื้อโรคในร่างกายและสัตว์ที่เรากินเขาเป็นอาหารทุกวันทุ เราก็เเนในายเขาทุกวันทุกสองกั้งส so ัตวที่เคยกินอาหารมาทุกพวกรุนชาติที่ไม้เขาตลาดชีวิตเลือดเนื้อเขามาเป็นอาหารแก่เราทุกมือทุกมือทุกพวกุชาติจะถึงในชาตินี้ก็กินมาทุเช้าก็กินมากลางวันก็กินมากินเข้ามาหลายชีวิตก็เเนในกายเขาเสมอและเจ้ากรรมยังเรียเพราะเจ้ากรรมังเรีที่เราทำทังหมดเราสมตเสียใจแล้มีอิริหลายแก่ใจมีอุจปาะเกรงกลัวต่อบา กรรมย้อนที่เราไปทําต่อไปนี้เราจะไม่ทำผิดอีกทีทำอีกถ้าเหมนเราทําผิดพลาไปเล็กๆน้อยๆเราก็ขอเข้ามาต่อครูก็ทําประสงค์ต่อครูบาอาจารย์ต่อสิ่งที่เราร่วมเกินทกค้างไปมันก็จะละบาปกรรมชั่วไปจนถึงจุดสุดแล้วก็ดีจนถึงจุดสุดจนเลยชั่วเลยดีไปจนถึงพันทิศพันทีเต็แต่แค่รับผู้รักษาไม่จุดอะไรไม่ก่อเกี่ยวอะไรจนกว่าขันท่าจะแตกกลับก็ธรรมชาติของธาตรู้ก็หายตัวไป ในความว่างในเป็นเป็นความว่างหายตัวไปเป็ใ น, ในเงื่วนยับกับธรรนชา้น